Thank you. เรจะยึอการปฏิบัตรรมเราควรจำเป็นเรื่องการปฏิบัติเราพอพูดพ่อเตียนสอนมันมีจริงจริงทีุ่ดเต็มหานดับไเหลองนลน้ำงนี่บางคน ีนี่ราคุ้มค่ามากแบบนิ้แบบไปการดับหม่เหลือของรูปน้ำมันก็ไม่มีความเปลี่ยนความตส่วนตายที่ีมันยังจบได้ที่เจ้าก็าเอาความเปลี่ยนความเสียส่วนตายเป็นจยูย์ที่ข้อมูลให้ป็นศึกษาเรื่องนี้ พรอองค์เด็กพ่อกรณีแล้วนี่พระองค์ก็บังตาแบบนี้ที่อยู่กับทุกคนเห็นพ่อกรณีแบบตรงที่ดูกรรมฐานแบบเราก็เห็นเห็นหนังานที่เกิดขึ้นกับกับใจทุกทุกทุกแบบแล้วก็มีอยเดียดูนี่อะไรเกิดขึ้นมาแตรูรูรูรูรูผลของกรรมฐาน มันเกลี่ยนทุกอย่างให้เป็นความรู้สึกปวดหมดเลยมันไม่มีอะไรความปวดไม่จิงความไม่จิความไม่จงาจดไม่จิงความไม่จิงความสมกไม่เจ็งความมดไม่จ็บที่่รู้มันมีคือยของจริ ง, งดาเนินไปอย่างนี้มันก็เด็ดจบลงที่นี่มันก็ไม่มีอะไรเหลือ จะพอบาดิลูกไปตัวเจลอยทั้งหมดเลยดัง้องถิมีอยู่ทุกคนหนึ่งไม่มีวิธีเลยตองรดแบบถกถึงจุดนี้แล้วเจ้าินุ่ี่ตัวนี่นี่แบบนี้จะจีบหันตีทำกันเองแล้พอได้ก็ไม่เป็นไรมีคนประเดี๋เหมือนจนอนนอนมาดูขุดโพ มีสู้ที่ดำเนินเรื่องนี้ึงกรรการจงเก็บบ้างการโน้มาการท่งบ้างการบิหาบางก า, นนบ า, งารบริหารเป็นเาวาดองนี้เป็นรงเจ้าวาดองนั้นเป็ช่วยเจาวาดมีวัดใหญ่ที่เจ้าวาดสาูกบัณินะจา ร, รจาจาย์เป็นการจงเก็บสมลูมกระทำแบ กำลังโอ้ดีดเท่งแต้ไปก็ดมันจะไม่ดิมีลพอ้าวพนอลู้า่ดามจริงแ้วพวกนี้เพื่อนเนี่ยพวกวนล้อดีเพื่อนดีวิจัยดีแต่พวกไม่หอนงพวกบอกทุกคนแล้ว มันสมมติบรรยากาศไม่ใช่ธรรมะแต่เนรวมรู้สิทันนี่เป็นธรรมะเรื่องนั้นตทุกเป็นสมมติตามกันบางคนเอาไม่เป็นทุกพอเรานรานมีทุกทุกทุกมทุกบางคนไม่ทุกพารคทุกมันมันก็คงนี้ก m ด้ความหมายของความทุกข์อย่างเช่น t ห็นทุกข์เ n ่งแต่หนังบัสเตอร์ถ้าเห็นทุกข์เจ้าไม่เห็นจิตนาส i ตอร์ก็เตอร์จังลฉจะทำไปแล้วผู้หลอกไม e ทำหัวเราเองอยามลองผู้ลกไม่หลงใร ก็ชีวิตคือชมพูอยู่นไม่มีอะไรม่ใช่คำบอกคำตำเลยเลยแที่ไหนก็ได้อะไรก็ได้ตงิ